มาของเราเขาเอาอยานนอนมาใหา้าาเรื่ออะไรบ่บ่รับบ่รับแล้วเขาค่นพรวนาอยู่เขาบอกขอเขา ก, กำหนดลมหาใจออกอยู่ท่า น, นเช่ยวบอกขอเขาเป็นยังเห็นลมหายใจออกอ่พวของกำหนดไหวดีอยู่อะไรเขาปั่มสองเธ อ, อ, อสูก็ไหวตาใสบอกหลอกอยู่บ่นอนนั่นน่จําเป็นนู้นก็ถือแผ่รวมปูแล้วเาหมะข้า ง, า ง, งเจาจว่าเขาบอกเขาทำแล้วบอกเขาอออันไนบ้างสันหยสันหักกระสันบอกเขาใจว่า เขาเีอเอาอยานอนไม่ห้เหาสันเล้โอ้สูไว้วหว้เขากันเข้าเฮ็ดไปพนี่ห้าเขียปไต่ไดจทุกแพร่หรอไแห่พขึ้นไปพูดอนแต่เาก็เลยแห่มากไปมาน่นไต่ลมมันเจ็ปื้อต้องขืนมาทั้งไรโยมาโยมาโยมาไลยแนวฮันโกทุน้ำดีกร ะ, ะเบิดคนนี้นเอก โรคสเลือด เ, เบอร์เราเบิร์คนจโดนนะโรคสเลือดนใหเจ้าพัดหงโหวไปนี่ระพาวพตัดนี่นึ่จ้พัดหงโหวตายไเขากัดตัวไปหัดผลโรคพยาบาลซิมิเเวตปเป็นไฟเทนก็ไ่ได้ต้าข้างขึ้นมาแนมือนั่นขึ้นเครื่องเวียนไปม่าแนมือนั่นเขาตัวไปเช่น้บกลปู่เกรนใจมนุษย์ เ, าเขาเอาอยาอะไรมาให้คอยฉันก๊อบกๆอ๊อยวเัน่เกินไปนะหลวงปู่นะ ไปตรวจดูใช่ป่ะว่าควรเพิ่มยาอะความควรเพิ่นยาอะไรตอเออหลวงปู่ไม่เป็นนอนข้างเคีนในโรงพยาบาลจะไปด้วยวิธีไหนเออถ้าอย่างนั้นเราก็กลับลเขาก็ได้กลับไปดยสองสามหมื่นพอร้ อ, อมว่าอีกไม่ยากหลวงปู่ไปเคลียร์เข้าไว้ฮะไปนี่ก็รัดคิวแลไปนี่ก็ขึ้นเครื่องบินอุบลถ้ากับปรือไปนะหลวงปู่นะไปแักครู่เราแบบ ขึ้นซื้อรถไฟด่วนให้พวกลูกลูกก็จะตามมาพอไปถึงแล้วก็ไปย่างผืดดไปครับรอบปวนให้ผ้าให้ตัดะไรไปตัดอันนี้เออถ้าเกว่าฝ่าได้ให้เนี้ยเเจตนาดีแต่ลูกผู้สมาทาใไม่ผ่ามาตัดแล้วมันเป็นอย่างนั้นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นออธิบายฟังช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ก็ช่วยเราว่ไหนก็ได้เอาไป เอาเรื่องเอาเรื่องที่ร่วงเล่าไปน่าเห็นหน่ะยอยากก่างไรโออะไรากรับมาเ <c oughs> ขากับ้ากับมาจ้างรถไส้จ้างรถไส่ตูนนนน้น่นเขาก็มาแลมัหลักกับพวกนี้ยแค่นี้ความเป็นจริงเขานี่เขามีข้อหมายคือจะมีข้อหมายว่าคนบันนอกวันหน้าไปเห็นรงพยาบาลโกเกลื้มค้าวสรเจ้าของกำลับบงเอาจะว่าจต่ละเขาจะทดสอบข้อขอขาราชการไได้ หรือเขาจะได้กับว่าจักเขาจะข้าของเขาใจว่าเขาเป็นคนเลือกพรอนนั่นอีกกระผนี่คุณหมออดอมมาเถียงกันที่นี่ละก็เลี้ยวๆล้วแล้ยวไปในน่องข้ามคื้นในโลงผู้จัว่าเลยได้พ้าใ้ตัดเขาเอาอันร่วงไปเขาเห็ดนี้ยังห้เห็ินี้ยังหายแล้วเอายาให้แลออ้วบ่าทรงขค้ืนมากคุณหมออดมมาเถียงกันทีนี่กับผมเป็นลงเป็นคนหมออดมยกก็เสียงแล้วเดี๋ยวนี้เคยเป็นหนัว น, นารงผู้จราชิีร่ ถ้เคยเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันจะเอาร้องพ่อไปฝ่าไปตัดที่โรงพยาบาลรองผูกฟันหาแล้วก็จะตามมาที่นี่มารักษาอย่างนี่นี่น่าจะรักษาศีลดที่นี่เออขอบพระคุณเลยเพราะเขาหายแล้วหาแล้วว่าเจตนาเป็นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นนะั้นอ่ะอธิบายสูดห้าวมาได้สูห้าวมาได้ก๊อปซึหนึ่งก็ะมาอีกว่าจะเอาไปผ่าไปตัดเที่ยงไปเที่ยงมากสูดห้าวมาได้ก๊อปซึหนึ่งก็ะมาอีกสูดห้าวมาได้กัดปอีก พาเทีย่ยวเที่ยวเพื่อสุดท้ายเลยกำเนิดแล้ววันนี้ทําไมเราจึงอาบน้ําพราะระ่างกายมันจกกรปกทําไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมพราะจิตใจมันจกกรปกจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าโรคโกรธหลงมีอยู่การปฏิบัติเพื่อบรรเทาโรคโกรธหลงก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าหิวอาหารอยู่ การทานอาหารเพื <necessary. S 2> ่อบรรเทาความหิวก the really the like ็ปฏิเสธไม่ได the ้เหมือนกันถ้าว่าโรคในร่างกายมีอยู่จะปฏิเสธในการพยาบาลรักษาก็ไม่ได้เหมือนกันถ้ากิเลสมีอยู่จะปฏิเสธในการบรรเทากิเลสหรือทําให้เหงือเพียงหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าว่าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์มีอยู่การปฏิบัติเกิดแก่เก็บตายเพื่อไม่ให้มาเกิดแก่เก็บตายอีกก็มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกัน ถ้าว่ามืดมีอยู่สว่างก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าว่างโง่มีอยู่ฉลาดก็ปฏิเสธไม่ได้คำสอนของพุทธศาสนาเป็นคาสอนเป็นคำสอนเหนือโลกแล้วเข้มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่รู้ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไม่เชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเทียบในทางลึกเลนี่น้ําห้วยหนองคลองบึืองบางต่างๆอะไรลงสูมหาสมุทรทเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดก็ไหรลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อนะไม่เชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอริยะสัจจังคําสอนพระพุทธศาสนาะเป็นคําสอนที่ตายตัวพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็เป็นพราบาเดียวกันพระราชาบัญญัติอันเดียวกันเพราะดีพอแล้วไม่มีใครลบล้างออกได้เมืม่อบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสังฆทานศึกษาอยู่ในศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ มันมีในพระไตรปิฎกเหมือนกันไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกของชาวโลกเดี๋ยวตั้งขึ้นบ่อยแล้วก็รบบ่อยตั้งขึ้นบ่อยก็ไม่ชนะชนังี่่าจะตั้งคือ น, นี่เพราะมันไม่เป็นธรรมถ้ามันเป็นธรรมแล้วก็จะแก้ทําไมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นธรรมพอแล้วไม่ได้แก้จึงทรงพระนามศรัทธาเทวนุสา น, านังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วย พระพุทธเจาจะมากี่ร้านๆพระองค์ก็มามีพรบรเดียวกันไม่มีข้อพ่อข้อแม่อะไรกันเลยไม่แข่งดีแข่เงเดนกันเลยเพราะเป็นธรรมมาธิ่ปไตยพอแล้วไม่ใช่ประชาธิ่ปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกาที่ปไตยไม่ใช่อัตตาธิ่ปฏายไม่ใช่ราชาธิ่ปไตยเป็นธรรมมาธิ่ปฏายถ้าทําให้มีอยก่อนเราสถาคดก็ไม่สามารถรู้ทําได้ทำมีโยก่อนจึงสามารถรู้ทําได้ เหตุนั้นจึงเขา้ารับทำเขาบรมศาสานาชาวโลกตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกขึ้นปีนเกลียวพระพุทธศาสานามันก็ไปไม่รอดสงครามเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ก็เพราะปีนเกลียวพระพุทธศาสานานันเองนักนักนักคําสอนบางอย่างที่พระพุทธศาสานาสอนบางกรณีเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรื่องระดับอธิกรณ อาตีกรมีสี่ความเฉียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมไปไน่ในสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ไม่ในเรียกยิวาธาตีกรความจดกันดวยอาบัตินั้นเรียกอนุวาธาธีกรอาบัติทั้งพวงเรียกอาปตาตีกรจิตที่สงจะต้องทำเรียกจิจญาตีกรอธิกรณะสมถะมีกกตทำเครื่องระงับอาตกรทั้งสี่นั้นในที่พร่อมหน้าสง์ในที่พ่อหน้าบุคคลในที่พ่อหน้าวัตถุในที่พ่อมหน้าธรรมเรียกสามว่าไม่ในอันนี้ระงับแบบหนึ่งสองความที่สองสกาวะหี่สมมติแก่พระทหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใคร่วทาน เรียกสติวินัยอันนี้นางนับแบบหนึ่งจําเลยเป็นผู้เป็นพระทหารเป็นผู้มีสติไัยบูรไม่เป็นฐานันดนรศักดิ์ของจําเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจทก่าวหาสว่วนกรรมวายใจจารย์ว่าให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโจสียมีแบบหนึ่งนะครับอัิกริยนักรับอัจฉริยน์อีกแบบหนึ่งพระที่สองสภการให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นว่าแล้วพระจะใครโจท่านโดยอาบัติเพืเธอทําเวลาเป็นว่าเรียกอมูลวินัยภิกษุกอเป็นว่า ห้ามให้โจดอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเมื่อเธอหายบ้าแล้วเธอมาทําผิดจึงโจดนี่ระ ง, งับแบบหนึง่งระงับอธิกรณ์ความปรับอาบัตตามปฏิญญาของจําเลยผู้รับเป็นสัตว์ยกปฏิญญาตักรนะอันนี้ระ ง, งับแบบหนึง่งความจัดสินอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยียวยาพิิกานี้ระ ง, งับแบบหนึง่งแต่ว่าอาธิกรณ์ชนิดไหนคนระ ง, งับแบบใดก็ขึ้นอยู่กับผูแ้แจกสารอีกเหมือนกันระ ง, งับแบบ เอปรับอาบัตตาจัญญาของจำเลยเพืรับเป็นสัตว์ยั่งิัญญาจักว์น่ะนี่แบบหนึง่งพอมาตามคำของคนมากเป็นประมาณยั่งย์ยุทธิการนี่งระงับแบบหนึง่งคนมากจะมากจักเพียงใดก็าตามถ้ า, าว่าเธอความพึดเธอไม่ดีจะเรียนจบประใจไปดกก็ไม่ให้มาออกเสียงแต่พวกข่าวโลกมันเนี่เป็นอย่างนั้นมึงไม่เอาขัาน้นเนยให้กูกูจ้างตังมึงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เพามีกิเลสอยู่พระพุทธศาสนาบัญญัติไม่มีกิเลสไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างข้างคนจนคนรวยข้างธรรมะที่ปไิยเอาดิงเลยเอาดิงเอาแล้รับน้ําเอาเครื่องวัดเครื่องตวงเป็นอาจารย์เอ้าพวกก่อสร้างเรียนจบประเทศได้มาก็ตามก็อาศัยดิงก็ทิ้งดิงไม่ได้ตั้งเสาเถิดก็เอาดิงมาถ้าไม่เอาดิงก็เถียงกันวันยังค่ํานั่ง พวกตังก้อนไม้ก้อนหมู่ไม่มองดูความสอนพระพุทธศาสนามันก็อไปไม่รอดพวกที่ถื้อไม่มีบาปไม่บุญเข้าไปได้ไหมแต่ก็เจอแล้วนั่นถูกไหมเหตุนั่นจึงไม่ครูเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมพู้ทําดีก็มีพูดทําไม่ดีก็มีถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีพูดทําผิดก็ไม่รู้จักว่าของดีเหมือนกันถ้ามีแต่ผู้ทําดีก็ไม่รู้ว่าผิดมันเป็นยังไงไอี เหตุนั้นดีกับชั่วจึงขัดกันมาทีนี้ผู้ตัดสินให้ก็คือกรรมและผลของกรรมเธอจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ตามได้คะแนนถูกหรือไม่ถูกก็ตามกรรมและผลของกรากรรมอยู่ข้างหลังอีกนะเอาให้เรียบปุ๊เป็นธรรมอีกด้วยเอาผู้จะได้มาในทางที่ไม่ชอบไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้จงททาติตนะ จงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้เป็นผู้ใจในถึงใจถึงในทางทำชั่วเถิดพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นจงเป็นผู้มีอิสระทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วเถิดพระบรมศาสาดาสอนนะเรามีอิสระก็จรงิงแต่ขอให้มีอิสระในทางดีกำเนิดใครก่อก็กคื อ, อจิตใจแต่ละท่านลคนก่อขึ้นไม่ใช่เราเป็นผู้ก่อขึ้นหิื่นอนง่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเอง หีวอาหารก็ทานเองเราทถกคตเป็นเพียงเชี่ยบอกเท่านั้นจะทำแทนไม่ได้เทวโรมาศาสตรมีอิสระทุกท่านแล้วทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกดินฝ้าอากาศเลยใจมีคุณเป็นมหารแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทำไม่ถูกสามารถไปผูกคอตนตายก็คือใจนั่นเองถูกไหม ตอนนี้ก็พอแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็พอแล้วเอาล่ะทีนี้ถ้าพูดไม่ใจเย็นก็มาทางนี้ก็ได้เนอะไหมนี่เวียนมาทางนี้ก็ได้ไหมถ้าอยู่ไกลพูดมาที่หลังใครอยากรู้ว่าน้ําตาลหวานก็อย่าไปถามคนอื่นก็กินดูคลิปดูเหมือนกันเกลือก็เหมือนกันทีนี้บันเดอโตคณรามาวสัง บัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนคืออะไรคือผู้ไม่ร่วงละเมิดเสี้ยนห้าผู้มีเสี้นห้าบารียบผู้ไม่ร่วงอบา ย, ยมุขผู้ไม่จองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรมึงเถอะไม่มีในพระสวสดาวันถ้าเคยได้ทําผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลกกันไปสักเราจะไม่ตอบแทนท่านผู้ใดถ้าเราไปทําเขาเขาไปทําก่อนหรือเขาเพิ่งมาก่อใหม่ก็ให้แลกกันไปสักเราจะไม่ตอบเวรตอบ สนองไทยโอปนาหาไม่ผูกโกรธว่าไม่จองเวรถ้ า, าจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในเราโกรธอยู่แต่ไม่ถึงจองเวร น, นี่ภูมิของพระโสดาวันพระเภทสุสัมเณีจะบวชล้านพักษาก็าตามถ้ายินยินดีในอบายมุกทุกประเภทอยู่มันก็สู้เขารักสู้เขารักษ า, าชิ้นท่าอยู่บ้านไม่ได้ถ้าถึงพระโสดาวันแล้วสักคาคามีน า, ค า, นาคามีพนันก็เปิดประตูไปเอง ค่าขายก็มีขอบเขตพระสวดาวันไม่ค่าขายเครื่องปะหารไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นเลยเมื่อสัตว์เสียตัวข้าวเพอเป็นอาหารไม่ค่าขายน้ำมันไม่ค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวัสดิวันไม่เสียดายอยากลงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายอยากลงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นับใจเช่นเราไม่เสียดายอยากลงลุยหลุมสานผลาญเรานักใจไหมเราก็ไม่นักใจเราไม่เสียดายอยากเอาหน้าลายคืนมาอีกมันเสียใจไหมเราวุ่นซึ่งแล้วมันก็ไม่นักใจ ที่มันนักใจก็เพราะเราเข้าใจผิดไม่มีดวงตาเห็นธรรมนึกว่ามันจะมีประโยชน์อยู่ผู้ที่เห็นธรรมด้วยดวงตาด้วยตาปัญญาเนี่ย้าชคืบหายอยากไปเป็นสารอุทธรว่าเป็นทางเจริญย่อมเป็นไปไม่ได้นั่นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมนุษย์สมบัติก็คือแว่นอบายมุกทุกประเภทสวรรค์สมบัติก็มีอยู่ในตัวพรมสมบัติก็มีอยู่ในตัวนิพพานสมบัติ ก็มีอยู่ในตัวพระพุทธศาสนาพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เหลืองเจิ้งถ้ามันดูตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุอย่างสุกสิ่งนี้เป็นเหตุอย่างทุกข์ถ้าทันดตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลอย่างเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลอย่งเหตุอันนี้เหตุทางชิบหายเราจะไปบนบานว่าให้เป็นเหตุทางเจริญมันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ใดบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูก พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยผู้เบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมก็คือผู้เบียดเบียนตนเองนั่นเองเพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตนไม่ได้อยู่ในที่อื่นอัตถิอั ต, อตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทําเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันใจไม่เป็นที่พึ่งของใจจะให้ผีตัวไหนมาเป็นที่พึ่งเพราะใจเป็นหัวหน้าเขา นายโกเป็นผู้ทำเหต <g uk yi> <sticks> ุใจอันใดที่ร <go Flowers when looking> ู <go> ้ต <go> ัวผลของใจอัน anyway น <go> ั้นก็นํามาโดยรู้รู้ตัวเหตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุโกรธผลก็โกรธรถของความโกรธก็มาในเวลานั้น เหตุหลงผลก็หลงรัฐของความหลงระมาในไปนะไม่ใช่วันพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปจริงจะมาเห็นก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุผลไม่อยู่ตามได้เหตุก็ดีพืชก็ดีผล้องเหตุผล้องพืชก็ดีจะปฏิเสธไม่ได้กรรมและผล้องกรรมก็ปฏิเสธไม่ได้สร้างเหตุต้องแล้วผลมาะสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนข้าของเหตุส่วนจะไปทางบุญหรือทางบาปหรือทางน้อยหรือมากมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุเป็นประมาณ เหตุลับตาผลก็มืดใช่ไหมเหตุลืมตาผลก็เห็นแม้นไหวแต่ลืมตาในที่มืดหรือเสียประสาทของตาเหตุได้ผลก็ได้เหตุเสียผลก็เสียเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุรอบผลก็รอบเหตุโกรธผลก็โกรธเหตุหลงผลก็หลงผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอันนี้กลงชัด เห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเขเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพอโลกตะมาด้วยอันนี้จังใช่ไหมเห็นทุกคณะคิดหนึ่งเขเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพอโลกจะมาด้วยกองทุกข์ที่ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าก่อนท่านเป็นอะไรท่านอนุชาติได้ไหมข้ามชาติเป็นทุกข์เท่านั้นผมมายินดีจะพิจารณาถ้าเขาตอบอย่างนี้จะว่าเขาตอบผิดไหมเขาก็ตอบไม่ผิดท่านนับเม็ดหินเม็ดทายเนี่ยเท่ามาหาสมุทรได้ไหม เม็ดน้ำเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนท่านนับได้ไหมผมมีกิเลสอยู่เต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่ผมนับได้อยู่ถ้าเขาตอบอย่างนี้จะว่าเขาตอบเผิดไหมนับเม็ดหินเม็ดทรายผมก็นับได้สิ่งที่เป็นของแข็งผมก็นับมาเป็นธาตดินซักเอกภพทวีธาตุหนึ่งดินเม็ดน้ำจะอยู่ที่ไหนผมก็นับได้แต่กิเลสของผมมากอยู่แต่ผมนับได้จะว่ายังไงสิ่งที่เหลว ผมก็จัดว่าที่ซึมธาตุเป็นเอกะอโปธาตุหนึ่งน้ำลมจะพัดอยู่ที่ไหนผมก็นับได้เอกะวยโอธาตุหนึ่งลมไฟอยู่ที่ไหนผมก็นับได้ธาตุไฟมีเท่าไหร่ผมนับได้เอกะเตโชธาตุหนึ่งไฟหนึ่งลมหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามจนถึง อาสงไขอ่อาสไข่ผู้นับก็ผีบ้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้านับย่นลงเราจะนับถึงล้านถึงเท่าใดก็ตามหน่วยชิ้ร้อยพันหมื่นแสนล้านนับจากลักหน่วยไปย่นลงมาก็ะย่นลงมาหารักหน่วยใช่ไหมถ้าเขาตอบอย่างนี้แปลว่าเขาขี้โกงมันก็ไม่ถูกถูกไหมภาษาในบทท่านนับท่านก็คงนับอย่างนั้นนับไม่เห็นไม่ใช่ภาษาท่าหมาจตบดี ถ้ประทุกย่นลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานปัจจุบันั้นกิโยธรรมัผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแงแขอนแคนแร่ในทางพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้พระพุทธศาสนาถ้าประสินย่นลงมาหาเอกะสิในปัจจุบันถ้าประทุกย่นลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันมากก็มาออกไปจากใจน้อยก็หานลงมาหาใจใช่ไหมพูดมากก็มาออกไปจากใจใช่ไหมพูดอยู่เดีย๋ยอะนี่มีเป็นอนิจจมั่นกัน พอพูดแรกก็ล่วงไปล่วงไปล่องไปก็ พ, พูดไปอีกก็ล่องไปล่องไปนี่เรียกว่าอ น, นิจจังอันละเอียดดนในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโล ก, กโลก้วนอนัตตาเดีย๋ยวต้งใช้เลยนาทั้ ง, นะงอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อจะ ป, จปัจจุบันเป็นพยานเอกแล้วปัจจุบันในตัวอดีตตัวอนาคตก็ไม่ต้องลำบาอาดีตคืออะไรคือสิ่งที่ล่วงไปมมันีมันมีแต่บัญชี เงินมันใช่ไปแล้วอนาคตมันก็มีแต่บัญชีเพราะเงินยังไม่มาถึงปัจจุบันมีทั้งหนังทั้งเขามีทั้งบัญชีด้วยเหตุนั้นท่านจึงให้เอาปัจจุบันเป็นพยานเองจะเอาปัจจุบันไปพระนิพพานหรือไม่ไม่ได้เอาไปอาศัยเพื่อเดินมรรคต่างหาจะเอาจิตไปพระนิพพานไหมไม่ได้เอาจิตก็เพราะจิตค้าค่าขับเรือกับแพต้องอาศัยจิตจะทําดีก็จิตจก็ทําชั่วก็จิตจะทําไม่ดีไม่ทั่วก็จิตเป็นหัวหน้าเขา อาศัยจิตเพื่อข้ามโลกพอถึงพระนิพพานแล้วจิตไม่ได้เอาไปด้วยกลายเป็นธรรมอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็ไม่ตายแล้วจะเรียกว่าจิตอีกมันก็ไม่ถูกพราะไม่สมฐานะค่าค่าเขาว่าคนแก่แล้วจะเรียกว่าคุณหนูมันก็ไม่สมฐานะใช่ไหมนั่นไม่ต้องสงสัยเลยนะ้าจะสงสัยอะไรเกิดก็เกิดอย่างเต็มภูมิ แกก็แกอย่างเต็มภูมิเก็บก็เก็บอย่างเต็มภูมิตายก็ตายอย่างเต็มภูมิไม่ได้รอบรีบไปไหนนาทีรเราเกลียหัวหน้ า, าความรับไม่มีในโลกเรานึกอะไรเราก็เห็นอยู่เราไม่นึกอะไรเราก็เห็นอยู่มันมันไม่มีที่รี่ลับเลยเราเลื่อมใส่พุทธธรรมผสมเราก็เห็นอยู่เราไม่เลื่อมใส่พุทธธรรมผสมเราก็เห็นอยู่นาทีเราเกลียหัวหน้ า, าความรับไม่มีในโลกธรรมชั้นสูงว่าพุทธศาสนานะมีเอกอัคโค มี่ทำชั้นต้นทำชั้นต้นคือสุภจรปนโนของพระพุทธศาสนาทำชั้นกลางก็มีเอกทำชั้น่ายก็มีเอกใครเรียนนโมโจบนโมแปลว่านอบน้อมในพระพุทธศาสนาหลักของนโมคือนอบน้อมพระโสดาบันเรียนนโมชั้นต้นพระหรหันต์เรียนนโมจบนโมพระหรหันต์นอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มาโลบมาโกรธมาหลงเรียกว่าเรียนนโมจบม แต่ตามควาพระโสดาบันลงไปก่อนน้โมเลกน้โมผาน้โมวัดน้โมเบอร์ <c oughs> ถูกไหมห <c oughs> น้โมมาไเ้ียเป็นผีบ้าเราเราเป็นผีบ้าเราขบน้โมมาแจกถูกไหมใครเล่นเลกบ่อย <c oughs> เดี๋ยวก็จัไม่มีเงินชื่อไม่คิดไฟให้พระเพราะมันหมดเวลาตาย เวลาตาไม่มีเงินซื้อไม่สีไฟแห่พระเนอะใครจะเรียะ เ, เราไม่เสียดายอยากร่วงระเมิดเลยภิกษุสามเณรผู้เสียดายอยากร้องระเมิดเรีกเรีพระหาบาทบัตรเบอร์เบสู้เขารักษาสิ้นห้ายอยู่บ้านไม่ได้ถ้าบวชมาเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาก็ไม่มากถ้าเพื่อร่เพื่ยยศเพื่อสนรเสริญอันใดอันหนึ่งปัญหาก็มามผู้ปฏิบัติสิ่ธรรมอยู่ข้างนอกก็เหมือนกัน เอา้าในโลกนี่มีสุขไหมไม่มีสุขของกษัสร์ก็สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอันาจจังเพราะอาณาหารหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นแค่เลยเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปครับช่รับในมือดีอ มันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเสียแล้วสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกแก้ได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวาโลกได้แก่ะกามาพัตระหกชั้นพระมโลกได้แก่รูปภพสีชั้นรูปท้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารราปรามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารมีใจครองและไม่มีใจครองสังขารแบ่งออกเป็นสอง กุปาเทน า, าสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาเทนากะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองนี้เกิดขึ้นจากกาแฟตัวนี้แตกหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัต์บุคคลออนใานใต้โลกธาตุใครเป็นเจ้าโรกญี่ปุ่นก็มาได้เป็นรับเสียเขาน่ได้เป็นไทยก็ไม่ได้เป็น จีนก็มาได้เป็นอังกฤษฝรั่งเศสมัได้เป็ น, ม, ปนมีแต่ทุกกับตายเป็นชาวทุกข์เป็นชาวโลกใช่ไหมนั่นนั่นเหตุนั้นจริงไม่ควรปฏิเสธคําสอนพระพุทธศาสนาผู้เวียดเวียนพระพุทธศาสนากับวิชาผู้นําลายขึ้นข้าก็อันเดียวกันตกใส่หน้าของใครของมันทําไมจึงมีผู้ร่วงละเมิดมากครั้งพระพุทธการก็มีผู้ร่วงละเมิดมากเหมือนกัน พระเทวทัพก็ล่วงละเมิดจนตกขุมนรกพระสุปาพุท菩ะสุปพภ菩萨ก็เป็นพ่อของนางพิมพานางพระเทวทัพก็เป็นลุงของพระบรมาศาสด า, า, ส า, านั่นเองก็ยังจะมาเบียดเบียนพระบรมาศาสด า, า, า, าอยู่น่ันสร้างบิบาลีเหนือเหนือความเบียดเบียนแล้วยังมีอยู่สัตทุกตัวจะได้ไปพระเพปาลหมด ต้องมาเรื่มใ ส, สาศาสนาพุทธเสียก่อนาศาสนาพุทธเป็นโลกุตระศาสนาไม่ใช่โลกีทําไมจึงมีโลกีมาปนเปย์พระเอาคําสอนสาศาสนาอื่นมาปนเปกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไปลงสเตจไปชกมวยกับรัฐที่อื่ น, นๆมันก็บ้าจริง มันก็บ้าจริงๆพวกเราอ่าเป็นเรื่องเท่านี้ได้ไหมเรื่องเท่านี้ได้ไหมคืออะไรคืออึงอ่างพองตัวขึ้นให้เท่าโคเท่าเท่ากระบือเท่าแตกตายคาที่ส ม, มัยอย่ <c oughs> าไเป็นกบเฝ้าดอกบวัวดอกบัวอยาเป็นไ ก, ก่แจ้กระพลอยโชเข้าวเปลือกข้าวสารมาเล็ดเดียวเราไม่ได้ว่า แ, แล้วก็คุ้ยเขียบไปในแปลงอื่นว่าแล้ว ก็ไปถือรัฐที่อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่เดียว่อมมีประโยชน์แต่ผู้รู้จักได้จับจอยถ้าไม่รู้จักประโยชน์แล้วถ้าไม่รู้จักคุณค่าแล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้อันเดียวกันเราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาะก็ตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราบางคนก็บอกว่าลบปู่ลบปู่ลบปู่ไล่ผีให้ด้วยเออ ไล่ผีก็ได้ออกจากใจผีไม่มีแกผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำหัวเมียไม่มีแกผู้ยอมเป็นโสดเราพูดอย่างนี้ไล่ผีก็ได้ออกจากใจถ้าใจไม่ถือผีก็ไม่มาอยู่ที่นั่นเราพูดอย่างนี้บาท่านก็บอกว่านิสันภาวนาจิตไม่ว่างถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่างถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตจิตเป็นแต่สักว่าจิตตนเป็นแต่สักว่าตนตามสมมติจะปฏิเสธไม่ได้จิตก็ว่าอยู่นณะที่นั่นเอง นิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาทุกถ้าสัมพันธ์เวทนาสุขทุกอุเบกขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเวทนาเขเป็นทศวรรว่าเวทนากายก็เป็นทศวรรว่ากายก็ข้ามกายไปแล้วนิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาทุกถ้าสัมพันธ์เวทนาสุขทุกอุเบกขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเวทนาเขเป็นทศวรรษว่าเวทนากายก็เป็นทศวรรษว่ากายก็ข้ามกายไปแล้วเพราะไม่ยึดถือว่ากายเป็นตนเป็นกายกายเป็นทศวรรว่ากาย พิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ภาษาว่ากายไม對對่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาพิจารณาเวสนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวสนาก็สาวกเวสนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเพียงเวสนาในปัจจนาันใจที่เศ้าหมองหรือของเเพวเป็นอารมณ์ว่าใจในีภาษาว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลและกุศลที่จะบังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ภาษาว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุป แม้ตายก็ว่างอยู่นะที่นั่นเองเวทนาก็ว่างอยู่นะที่นั่นเองจิตก็ว่างอยู่นะที่นั่นเองทำก็ว่างอยู่นะที่นั่นเองถ้าไม่ยึดถือเอาเป็นเขาเป็นเราเป็นข้าเป็นบุคคลถ้าทสิ่งในสิ่งหนึ่งที่ไปยึดถือเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะไม่มีโทษและไม่มีในโลกพระรมศาสดาตาเอ๋ยตาเอ๋ยเธอจังเป็นตาซักครับมันก็ไม่พูดหูเอ๋ยหูเอ๋ยเธอเป็นจงเป็นหูของพญากิตติราชซะกครับปฏิเสธมันก็ไม่พูด ทีนี้ตบตรงก็ใจเป็นต้นสมมตุติไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็ใส่ชื่อตนว่าใจใจใจใจถ้ามัรู้เข่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใชจไหมใจไปเที่ยฟ้องเขาฟ้องอดีตฟ้องอนาคตฟ้องตาฟ้องหูฟ้องจ ม, มูกฟ้องริ้นฟ้องกายว่าเป็นของกูตัวกูเมื่อไม่สมบูรณ์ใจก็เด็ดร้อนทีนี้ใครเป็นบ้ากันแน่เนา ใครเป็นบ้ากันนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นบ้าเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นฉล า, าดเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นททเทวบรเทวดาตาหูสมุขเรียนกายแต่ใจบัรญักตัวเองขึ้นไม่มีใครใส่ชื่อตอนว่าใจโตเขใส่ตนก็ใส่ชื่อตนเองว่าใจใจใจใจไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเขาก็ไม่มาเป็นทุกข์ด้วยดินฝ้าอากาศเขาก็ไม่มาเป็นทุกข์ด้วย เหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันทำท่านสูงว่าลูกหลานทั้งหลายพระบรมศาสดาพี่น้องชาวพุทธท่านว่าคำว่าลูกหลานทั้งหลายบางทีท่านก็บอกพูดเป็นคนกันเองบางทีท่านก็ให้เกียรติว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็ให้บอกว่าเธอทั้งหลายหรือชาวพุทธทั้งหลายหรือพี่น้องทั้งหลายบางข้างบางข้างท่านก็บอกว่าสู้ทั้งหลายคำว่าสู้ทั้งหลายท่านก็พูดแบบลูกๆกหลานๆเป็นคนกันเอง ถ้าไม่ทําจิตเหมือนดินก็ไม่พ้นทุกข์ละเหมือนน้าเหมือนไฟเหมือนลมก็ไม่พ้นทุกข์ละท่นพูดงนี้ดินเขาเอาไปเผาไฟมันก็ไม่จองเวรใคร <c oughs> เขาเอาไปขี่ไฟมันก็ไม่จองเวรใครถ้าจิตใจของพวกเธอไม่ขนาดนั้นแล้วจะได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระบรมศาสด า, าไฟก็เหมือนกันเขาเอาไปเผาขี่มันก็ไม่บน่นเขาไปหน้ามาดับมันก็ไม่บน่น มันไม่จองเวงครับใครลมก็เหมือนกันเขาไปพัดที่ไหนมันก็ไม่บน่นน้ําก็เหมือนกันเข้าไปล้างขี้มันก็ไม่บน่นเขาไปต้มมันก็ไม่บน่นแราะมันมันไม่จองเวรครับใครแต่พวกเธอคอยแต่จะจองเวรพระบรมศาลาถ้าจิดใจของพวกเธอไม่เหมือนดินน้ําไฟลมแล้วก็จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกในวัฏสงสารนี่พวกเธอต้องเที่ยวมาในวัฏสงสารนี่ พระบรมศาสดาชั่ว ก, ก, กับหนึ่งพระบรมศ า, า, าสด า, าบอกพอระบรมศาสดาบอกหมที่ไหนพระบรมศาสดาไม่ได้เทศไม่มีใครสําคัญว่าตนเทศเก่งคนนั้นเป็นผีฟ้าอันไหนพระบรมศ า, า, ท า, ทาสดาเทศหมดแล้วนับแต่นโมเป็นต้นไปเล่มก้างพระบรมศาสดาเหมือนกันที่ไหนไม่ในเทศไม่มีพระบรมศ า, า, ท า, ท า, ทาสดาเทศหมดแล้วจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้ประสบการณมาแล้วพระบรมศาสดา มนุษย์ส ok มบัติก็ประสบการณมาเนี่ยมนุษย์วิบัติก็ประสบการณมาเนี่ยสวรรค์สมบัติก็ประสบการณมาเนี่ยสวรรค์วิบัติก็ประสบการณมาเนี่ยพมวิบัติผมสมบัติประสบการณมาเนี่ยนิพพานวิบัตินิพพานสมบัติประสบการณ์มาเนี่ยเนี่นั้นจึงได้มาสั่งสอนชาวบอกจึงทรงพระนามวโรกาภิทูต่อไปนี้ก็เหน่แล้วก็ให้พอนะงับงับงับยะท้าววิวาห์ภูราพนิพุเลนเทชาคาราเดวามีวายโสชินังเฟยาณังอุปกาปฏิ ปิติต <mean> ังปิติส wow ังตูมหางทีปะเมวาสนิชต <maker> ูสะเพผูเรนตยสังกปาจันโทพระนารโยถามานิโชเทระโชยะถานะพีทิโยโยวจันสัสปะตุโคสะปะปโยสะโรโวินัสสะตุมาเตบอว่ตวนตราโยสิปิคีคาโยโกโอภิวาตนิสีติานิจังวุตตาปชายโนชาตารุธรรมวัชันติอายวันโนสูขังฟราด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงข้า อนตงพระคุณข้ามันมีประมาณและก็เนื้อโลกอยู่ทุกการด้วยมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกต้นหน้าที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั้งทั้งใจโลกาลงวสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของวิปัสสนาพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยชอบโดยด่วนทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอเฮ็ดเพียงจีนให้สูงเพียงตาเฮ็ดเพียงตาให้สูงเพียงฝ้าเฮ็ดเพีงฝ่ายเขาสู้พระนี้พผ่านไป พันรอบขึ้นทุกแม่โลกนี่พันรนน า, น า, า, าเขึนทุกแม่โลกเฮาเฮาเฮาเสียงในใจตัวว่ทุกข่อขาว่าทุกข่อขาเปนแคเสียงเสียงในใจในใจว่าทุกข่อขาว่าทุกข้อขาว่าทุกข่อขาว่าทุกข้อขาข้อขาเนี่ยลูกสร้งางคารวะจะเป็นทุกข์กมูบวชว่าก็จะทุกข์กงูนอนเดียนกินยาชาลพัดอันนี้สันเฮ็อนฟองกันซื่ออะไรเหรอาี่เอาไว้แบบเนี้ยู อันนี้เราคัดเลือกหนิดูบางไปก้อนคุนเชืยงก่อนคุนเชี่ยงบันไดมัน็คยู่ปัางอ่ะของม่เนียมันเป็นมาแต่สากรผมมันเป็นแมสแต่สาดนี่เป็นมาสแต่ทกัณฐ์สากรอนมันไม่มาสแต่มาสแต่สาดนี่ไม่ได้ไปเขาพั้าแล้วมันก็จะไปแล้วก็เขาพัดฟ้าไปเช่นทางเท้าออท้า เขาหามด้ะเขาหามเป็นนักบอลนั่นเองหออนับองมาเฮยงขหน่อยแล้วเท่าไรที่ม่อปีสุดท uffle หฮายห้าห้เาใจดีเราเมื่อบ้ไรแตงจาวาพระรามาธิการจิกเก็ตีเล้ท่เขาใจพุทธวะพระรามาธิการจิกจิกปีเราเขาใจยานี่ขึ้นมากเหรอบ่ยัย่าง ทุกเมือว่าไปอัน่เแา้วมอาสบายตนน้รป่า่าไปสิงไปไปสบดหมาะสบมดมาะว่าท่นสลบมากอนมากรอน่าสบายโอ้ยัดสังเทาไห้เนาะยัดสังเทาเพื่อไปโย่สังเประโย่ใช่เป็นเรโยที่ไงเดินยโยก็ม네ู่เฮามู่เฮาอยูู่อยู่เขาดีแน่นอน หลวงูมหาเป็นพี่โน้ตขบกโย่เดรียเพียงเค้องนก็เป็นไปเป็นขงันมูเฮ้าเด้ะเล็กเกี้รมูท่างร้ายพีว่าเฮ้ามาย่ผู่ย่เขากนื้ว่ามันก็ไปโยนเดรนยเพียงวันไหนเขาสิสัทธาชนะพ้ตั้วันให้วันหน้าเขาบุตที่คิดพูดเป็นเขาหรือตัวก่อนแม่บอกเขาบอกเขาบอกก่อนนี้จะมูเฮ้าจะพอจะใส่เื่อนฝังันีอเื่อนอะแม่บวูมหาว่ามันอดแน่อเ่ เจ้าฮ yep. ั mm. ่งคนฮั่งโบอืดต่อหลังฮ well, ั icon. ่อดบอืดจะคุยเฉยไมหายเว้นหน่งวันเจ้าพ่อขอดีันมีเงนค้มล่อมันอมยอ้อนข้มาคุยกัคกันนี่แลย่างเข้าใจต้องพนั่งเลยงั้นมาเข้าได้หรือมาลงเข้าใจอยากเขาใจกี่มาเข้าองเข้าใจเพราะว่าชุดุดเก้านั่งจะสองนั่งจะเข้าสองคนนะทหนใจ ไม่แล้วไมนกับหน่าวนั่ายสนักเลย่าสก็ใส่ก็ใ้าเท่า้างเ่า้อ่าแบบที่คแมบีกับแช่ค้แวาบ่ จะอยุมันหนึ่งโอเจพันสามพันนเกิดก้อนเนี่ยพสา่ธรรมะพันเกิดก้อนต่ว่าอายโตเขาจะคือน้อตัวป็นสารฆาตเวรทด่ติดปีผุนนั่อยู่ใต้ของบวทเป็นดุลย์ดนิดใ่าเพือนรูปรูปเขาก็ไปอยู่ในบสถ์นั่งบริจาลคือเาอยู่ในร้านให้เลยแม่ก่แม่ มัมาบกนววอย่างทานศานงเคลื่อนไปอ่ะเดินพุทธบ้านวิญญาณโน้นพุทธบ้านเป็นพุทธญาณน้ว่ารัดดัดัดดัดดัดนั่นแหละพุ่งแรงสุดได้ของมันเนาโอ้ของพ่อหลงแม่ว่านเลยรับอยากสะท้อนเขาพิ้นมันี เขาพี่นงเสือเขได้มาส่งนางสือเหรอเขี่นาเสือหายนางเสือซมนี่แหะที่พี่ทที่พี่ทำที่พี่ทำข้าหลังข้าาดูดูดูเขาพี่พี่จะสัเขาไอานางสือมาส่งให้เรานั่งคุยกันเนอะเพาะว่าเจ้าก็รู้ดีว่าเขาคืออะไรครับเนี่ยาคุยทุกเรื่องนั่นแหะวันนี้วันแงน่อนือนีที่ ฉันยาฉันยาทำทำาม่ได้อย่างนี้เลยจิตกรรการที่ทำและที่พูดแล้วแน่นำได้ปัญญาทำรู้ในกองสังขารจำเปนอย่างไรทำเป็นที่พึ้นสิบอย่างนาทะกรณะทำคือนาทะกรณะทำคือทำทนที่พึ้นอ่งหนึ่งช้นษะสาหลักานนี้แน่สองชริตละอายต่ำว่าที่สุดสามอตตะปะจะรว้กลอต่ำว่าที่สุิสี่ฟ้าแห่งจัจจะเป็นผู้ทำจองสินตปะวิทยาน สามกันยานิสตาคนผู้นี้เพื่อในสี่โซเวชตาเป็นผู้วาง่ายๆง่ายห้าจีนกันยานิสตาตากาลาเองขยันเอาใจใส่ในจิตระสองเที่ยนจิตดีก็ยังดีหกทัมกามาําทรักใขร่ในทางที่ในทางที่ชอบเจ็เยี่เพียนเทระความเชื่อหรือความดีแต่สัญญานีดีแล้วท้างาางอ่าที่ชาที่น่าจทำได้ทได้เก้าสติจําการที่ทาได้ทำจะทแล้วแม่นานได้ ปัญญาทีา่พูดในตอนสังขารจำจเป็นอย่างไรหน้าพระกรณะท่รมคือธรรมทั้งที่ถึงทุกยางสติต้องการที่ทาและทำจะพูดแล้วแม่แานานได้ที่ไหนว่าระทักใจเข้าจาได้ดีะะจะได้ที่ไหนว่าพอทักใจเห้าก็จำเข้าเขามีกิเลสเจตรสชาพเดชอยู่ห้องนับได้นหินไม่ใช<ม>่อะไรในตัวเตียวะนี่นี่กิเลดเจพระชาพเดชอนู่ห้องถ้าเป็นดังนีลักษณะแข็งแข็งถ้านั่นเป็นปิชาวีขาา ก็คือคำ น, นั้นที่เป็นภายในคือสูรเนี่ น, นั้นเนี่ยอันกระดุกเนี่ยมันมอมากหายใจกับความคิดใจก่อนใอย่างใจร้อันใหม่อันเก่านับไปเห็นได้ใช่ลงมาเส่วนหนึ่งเลยว่าเอกะพัทวีธาหนึ่งเดือนอ๋อถูกแับนักไปไฟสังกอกโหย่เนี่ยอนไรหน้ามีเศษต้องลักษณะอันใดที่เหลวที่สิงหามเรียกว่านะา้าเอกะอาโปทาหนึ่งหน้า หนึ่งไฟหนึ่งลมหยดลงมาเป็นหนึ่งเมตมาสังสังขกระโหลอยู่วันที่หนังเขามาสังขกระโหลแปลว่าสองข้ออ๋าสังขกระโหลหมายสสอง้อลงาเป็นหนึ่งที่าสั่เาว้พระคารุนับได้เห็นไ้ใช่พระเกณนับพระ่าั่นบหนึ่งสองสามจุดถึงเอาสองข่ายผู้นับกับผีบาผู้บาเป็นกรรมการกับผีบาซึ่กันนับหนึ่ไ่จังกบวัดสั่งเาไวับไฟสองข้อที่าสั่เอาไว้เข้าไปนับจุเข้าไปนับจุดเรื่อมหาสมุทรอินเดียไปกับหลวงพูเทศ รลบละเอียดเข้าไปลบลเอยดข้าไป่มออกมากอะไรเง้ยลเขามากข้ามเนี่บออกมาขามนี่เขาก็ตามออกมารลบออกก้ามเนี่ยบเขามาาเนี่กูชินับนึกเห็นนึกใช่แล้วชอบมหาสมุทรบางาน้ากูคำนวณกี่เดียดเป็นผู้ไม่่แล้วกรสังกูชินับได้บพราะอกสังโน้มมันกำลังเสียเวลาอะได้ะสังเวลาลึกย้นสังวนเริอ่องอรน่ยฟน่ยเนี ch um ่กกังกัเกนเนี่นึงดิหนึ่งน้หนึ่งไฟนึ่งลมแล้วจักรนับลงไปหนึ่งก็เป็นบ้าวกวะสั มา่อชุดลอยพันเมือ่อนแนงานกรธนนับลงหารักหนุยแนลว่าสันเฮ้ยก็ลั ม, มีอันดีบาทนีเพราะว่าตัวแต่กันแน่เดก ว, ว้างเงนแับมาบอกล็อกเพื่เสถฟังลง็อกเพเสถว่าที่บาขึ้นเรื่อรอหลอหรอล็อกเพื่อนึ่งบินนงหน้ามันไฟนิงลบเหมือนว่าผู้นีนก็มีกเกลยดตแต่หางลาลูกศร์หลังอะไวะไม่ลู้วไหนว่าสังแลาาตน่มันเป็นทุกข์มัยยนเขาะ่อใจอยากได้เรื่อก็สั่เสว่าเากาไร นนในเรื่อในชางิกรรมธตรมะนี่ข้ า, าสารชาติพรเศษาไม่เป็นทุกาาขกก์นะผมเหมือนกักระทุกขลเราผมกับผมก็เรือ่องลูกชาตให้กันไงวะาสนาตัวว่ า, า, วาัวพิษกับอะไรเลยนี่ยเขามาสองเฮาเฮากับข้าคาีา่ ห, ห, หลังคำว่าคูบะอาจารย์นี่ชานมีงาาอยิ่มเมือนาาื่นไปยืนถวายสัะเกตชาตหขาเขาชิใหก้กับสมมติว่าไดขเขาเขใสาให้ก็สมมติว่าบะไรคนตัว เขาสมเขาใส่ให้กาสมว่าได้ิขีเขสตวิตองเขาือจิตขี่อะเดียวกันแล้วว่าสันตว่าแต่นี่ยการดูมือเดียวมือรุ่นมากกว่าขีเดียวมูอเราถ้าวันน้าหาดสั่งหรอว่าสั่ยให้เขาสําได้หรอวันเขาเขาหายไปหากับว่าเขาสมว่าได้ว่าได้ขีเขาาจะให่กับว่าได้ขี่สันตว่ามูอเราป็นหัห้ามันสั่งบรอว่าให้เขาทำผ้าให้เาวัถ้าไม่่ตัวเล็กได้สันว่า เอาอาคื่องอะไรควบมเนี่ยเราผมระเบิผมรบขึ้นยากเรยว่าปฏิบับาตรเนี่ยนาทีหองนี้เขาไปยังจิตของห้องไี้เองท่นพูดที่ให้บอให้เป็นนาทีของเขาท่านบอกจิตของ้องเขาท่นจะไปนักใจให้หนัง่าท่าะว่าท่านขบวนมากกับที่ฮักสร้างพูดที่ม่านับถือเปนนาทีของเขาท่ะถ้ามีนาทีปฏิบัติตัวฝนทุกข์งกับฝนทุกของตัวนั่งตัวท่านก่อักก่อนสร้างเป็นนาทีของเขาท่านก่อถือว่าถือว่าเป็นนาทีของเขาถือว่าเขาเรียว่า ตัวแล้วเขาสั่งว่าแน่นมาสั่งทั้งหมดาสิเล้วเขาแล้วงเขาเฮ้เขาเขาเห็ดชอแเมียนบอสเขาจะปวดไปนักไปทางไหนค้นนกมือเป็นหันให้ปูพาขึ้นคือจังงูคนจังข้าวังจีหยบใส่มนกับเมนแล้วเมียนาสั่ไปทางไหเขาห้ำใส่กระดิ่งไปอืม กิเลสเขาบ่มดเขาคิดได้ อ, อย่างแม่นบอกแต่าคนจากกิเลสเขาจะว่ามาแต่ยาวกว่มันละบอกแม่นบอเออพระพุทธเจ้ายังถามเลไปอยู่อาวันปีสำรวจคนรู้ได้มากถ้าเขาดุจะว่ายังไงก็ยังดีกว่าเขาเพี้ยนเขาตีเขาจะฆ่าถ้าเขาเพี้ยนเขาตีจะทาจะเป็ยนยังไงก็ยังดีกว่าเขาฆ่าเขาจะ่าะเออ e uh, ถ้างั้นก็ไปสักถ้ามาอย่างนั้นอย่าไปพระพุทธเจ้าแม่นบอกอ พระพุทธเจ้าสางมาแล้วไม่เห็นเฉ่บว่ไจะแทกอ่ะ น, นั่งจิบผีกันยังมาเอาขั บ, บทีใน่แน่หรอทะลาะกันยุนเข้าไปทางไหนไงเขามีผูนบไหวยังสิงนก็หรือมือเป็นฮ้อนนี่เน่าจังสิปฏิบัติตายจะเกิดตายจะเกิดเกได้พระปฏิบัติเนก่ยห้ออาจาร์มาคบเป็นก็เข้าไปร้ า, ายกว่าเข้าสามชีพศรเ น, น, นี่ยคาจมาคับเนเป็นชีโตอ ว่าลลล่ายคุณอาธันไหมผมมาจากโคกคอยมาผูกเก็บเขาก็เอาเรถแห่ผมมา ท, ท, ทั้งเจ็ดคันหรที่เรื่บพรท่านาเรียนตัวน้อยนี้จบผมก็ยอกอะไนระโอ้ผ ม, ผมกับผมมาอัจิันดอกอาันทรนื้อหาอะไรงเง้ขาจะเอาคนไปตัดคอเขาเอาเหงเหมือนกันว่าจะให้เข้าีัน ถ้าเป็นพระเราจะตกหน้าวันหน่อยจะเรียถ้าเป็นพระเราจะตกหน้าวันเท่านี้บอลเลยอ้ขันโมเหาหมดถามเอ๊ะมันไปไหนสนุกดีคุยกับมันขันโมเล็เามดถามามถามถามถามคักว้าออเธอเธอเธอเคอย็นดีไหมบุญละเราประเทศเขาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน ฮคุ้มฮกคุ้มเราจึงไปนอนเขาก็มานั่งภาวนาด้วยเปลี่ยนกันมาเทศเธอเคยนั่งไงเราไปรอฮักพ่อไงโอกาสทางารเมาองเาเข้าก็ใส่ข้าวอาจารย์นี่นถ้าวผัอีสานนี่หลวปูมั่นท่านวมานิยมหรอกท่านบอกว่าพระหาที่แตกเพศเขาเที่ยงคืนเที่ยงคืนจึงมานอนทุกวันทุกวันพอถึง กุทธิเราก็นอนตูมเลยเพราะเหนื่อยแล้วหาหากินหากินยาโซ่ไม่ใช่พระรับปฏิบัติหลวงปู่มันไม่ทรงสรเสนอถ้ารับโทษมั่นก็นหาอบายมาเทศเราเลยเลี้ยเขตหน้าบอกว่าได้หางบบใส่บ่าหายนี่แหละไมาหรอกไ่เห็นห่ามหาที่นี่ข้าข้าไปวายรัด ข้าข้า ไ, ไว้ห้อยพระบาทยุ่นุกัามหาสมุทรอินเดียคนยุก็แก้วไปข้าสอบถามด้อย่างนี้หรอถ้านในอาจารย์มาหารอยพระบาทอย่างนี้หรือถ้ารอยอย่างนี้อยู่บ้านของผ ม, มก็มาชะนาชะชันาลานตะการ ล, <c oughs> ละแกมันฑิตเถื่อบ้าจีบมันชวนเขาเห็นเมฆไหลมาเขาก็บอกว่าพระบรมาศราสนาเหาะมาอันนี้เขากาวก็ว่ามันก็แต่บุญเช เธอมันคิดผีมากจริงๆเขาเห็นอะไรเขาว่ารอยผ่าบาดเข า, ากราบมันก็ได้บุญเธอมันคิดผีมากเออถูกแล้วทางจีนมาแล้วไทยคะแนนไม่พูดอะไรเลยสิดีใจ